เรเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างใครจะเข้าใครจะออกหรือว่าจะมาและไปก็มีอยู่เป็นประจำบางคนก็มาเียงชั่วครั้งชั่วคราวบางคนก็มาอยู่นานเราไม่มีการปิดกั้นแลวคนที่มานั้นก็มีอยู่ หลายแบบหลายประเภททั้งคนที่มาด้วยความใฝ่รู้หรือมาด้วยจิตที่เป็นกุศลหรือว่ามาด้วยจิตที่ไม่เป็นกุศลอันนี้ถ้ามองให้ดีมก็เหมือนกับใจของเราใจของเราเนี่ยก็จะมีอากรตุกกะและเวียนเข้ามาอยู่เป็นประจํามีทั้ง ที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลแล้วก็ยากที่จะป้องกันหรือว่าปิดกั้นหรือเลือกสรรว่าันจะรับแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะส่วนอารมณ์ที่เป็นอกุศลฉันไม่รับนะอันนี้เราทำไม่ได้มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้แล้วก็ในทํานองเดียวกันนะ อารมณ์ที่เข้าจอเข้ามาในจิตใจของเราก็มีหลายแบบแล้วก็มาอยู่ประเดี๋ยวกดาบ้างมาอยู่นานบ้างแต่ว่าก็จะไม่มีอันไหนอยู่ถาวรเออ ม, มาแล้วก็ไปใจของเราเป็นเหมือนกับสถานที่ ซึ่งอาจจะอาวัฏป่าสุกโตนี่เป็นที่จําลองก็ได้เวลามีอาการตุกกะมาด้านเราเกิดโดยเพราะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเราก็อาจจะยินดีดีใจที่เขามาแต่ว่าเมื่อเวลาเขาไปเราก็อ่อนเหี่ยวหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมานนอันนี้จะเป็นคนที่มาอยู่ใหม่ๆ มาอยู่ใหม่ๆอย่างอาตมาตอนมาอยู่พรรษาแรกๆนี่ก็จะมีอาการอย่างนี้อยู่มากคือว่าสมัยนั้นสุกโตก็มีคนไม่มากหรอกบางช่วงบางบางระยะก็จะมีแค่สองสามลูกในพรรษานี่ก็เต็มที่ก็เจ็ดลูปเป็นอย่างนี้มาหลายพรรษาตั้งแต่ปีสองหกมาเห้นคนที่มานี่ก็ก็จะมากันน้อยอาคันตุ ก, กะไม่มาก เพราะว่าจะดันต้นมาถึงนี่ก็ลําบากเพราะว่า่างลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะช่วงคำนัสานี้สมัยก่อนฝนดีตกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นป่านนี้มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อกันเปนหมดแล้วนั่นคนที่มาก็ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่รู้จัก กับพระนะหรือว่าโยมประจำสมัยก่อนก็มีโยมประจำอยู่สองสามคนเท่านั้นเองนั่นคนที่มาก็เป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเมื่อมาก็รู้สึกยินดีแต่ว่าพอเข้าไปเราก็จะหงอยขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเช้นนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าไอ้ความเพลิดเพลินยินดีกับ ความอะไรอันนี้มันเป็นของคู่กันแล้วลองดูโดยเราเกิดอารมณ์ยินดีขึ้นมาใ น, ในใจของเราอย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่นี่พปาสุโกโตมันก็จำลองมาจากจิตใจของเราที่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาเวลามีอารมณ์ที่เป็นกุศลเข้ามาเช่นความยินดีถ้าเราไปยึดเป็นเหนียวเอาไว้นะในที่สุดเราก็จะทุกข์เพราะว่าอารมณ์ยินดีเหล่านั้นมันก็จะมา อยู่ไม่นานแล้วมันก็ต้องไปมันไม่มีทางที่จะอยู่กับเราไปได้นานๆนั้นตอน ท, ที่เราไปยึดเป็นเหนียวเอาไว้ด้วยอุปาทานอันนี้ที่เรียกว่าจะเป็นอุปาทานในเวทนาหรืออุปาทานในสังขารก็ตามอย่างที่เราสวดตอนเช้าถ้าเราเป็นอุปาทานในสุขเวทนาหรือว่า ในกุศลในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเช่นปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสงบขึ้นมาแล้ววันดีคืนดีนดนก็ปรากฏว่ามันไม่สงบอย่างที่เคยมันก็เหมือนกับว่าเข้ามาแล้วเขาก็าไปเพื่อนที่คุ้นเคยเพื่อนที่เรายินดีเข้ามาแล้วเขาก็ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเขาก็คือว่าเราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะว่าเขาอยู่กับเราประเดี๋ยวประดาว นั่นนอารมณ์ที่เป็นกุศลนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไปกับอารมณ์เหล่านั้นเราก็เป็นเพียงแต่ผู้ที่ดูเฉยเฉยคือรับรู้เฉยเฉยเมื่อเข้ามาเมื่อเข้ามาเราเฉยเฉยเวลาเข้าไปเราก็เฉยเฉยเหมือนกันหรือถ้าเข้ามาอาจจะยินดีนิดหน่อยเมื่อเขาไปก็ไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่อันนี้ตอนหลังพอเราจับตรงนี้ได้เวลามีเพื่อนมาเยี่ยมมายาม เราก็รับรู้อยู่ไม่ถึงกับดีมากแล้วพอเขาไปก็ไม่ได้อะไรอะไรมากหน้าท่าทีแบบนี้มันใช้กันได้ระหว่างอารมณ์กุศลที่เข้ามาเยือนจิตใจของเราแล้วก็กับมิตรหรืออาคารตุกกะที่เราคุ้นเคยที่มาเยี่ยมเยือนเรา มันเป็นเรื่องเดียวกันมันใช้ท่าทีแบบเดียวกันก็คือว่าท่าทีที่เป็นอุเบกขาคือไม่ไม่ยินดียินพลา้ฉยนั้นเราก็เวลาที่นี่มีอาคาันตุกะมาเราก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบนะจิตใจของเราไม่ว่าอาคาันตุกะนั้นจะเป็นอาคาันตุกะที่ที่ดีหรือไม่ดีที่อาจจะ เป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลหรือว่าจิตใจเป็นไม่เป็นกุศลมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยหรือมีกิริยามารยาทที่ไม่เรียบร้อยที่ก่อความหลงคารให้แก่ผู้อื่นเราก็ฝึกใช้ท่าทีนั้นกับอาคาตุกะเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ทำให้เราเกี่ยวข้องกับอารมณ์กุศลและอารมณ์อกุศลที่มาเยี่ยมยามในจิตใจของเราได้ ถ้าทระฝึกมากๆนี่เออลราก็ต้อนรับทุกอย่างทที่เข้ามาเราก็ไม่ไม่ไปผักใสแล้วเราก็ร่วมันไปผักใสไม่ได้ด้วยผู้เจ้าตรัสว่าจิตของเราเนี่ยประพัฒสอนอยู่เสมอประพัฒสอนเนี่ยคือว่าสว่างสวัยนะแต่ว่าบางครั้งก็หมองเศร้านะก็เพราะว่ามีอาคารทุ ก, กะหรือมีกิเลส จอมาเยือนอันนี้ก็เกิดขึ้นกับอาจจะเกิดขึ้นกับเราเวลามีคนที่ไม่ประสงค์ดีมาที่วัดนะซึ่งอาจจะเป็นโจรอาจจะเป็นขโมยหรืออาจจะเป็นคนที่กิริยามารยาทไม่เรียบร้อยที่ก่อความลาคานเราหรือว่าผู้ที่อยู่ประจาก็อาจรู้สึกลาคานแต่ถ้าหากว่าเราวางจิตวางใจให้เป็น เราก็สามารถที่จะสรงใจให้เป็นปกติได้และเราก็รู้ว่าเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้มาาว่าอยู่เฉยเราก็าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะมากะาะปัญหาแก่เราได้ในการเจริญสตินะเราก็ใช้วิธีที่จะฝึกใจให้มีความปกติอยู่เสมอ แล้วก็เรียนรู้ให้เป็นผู้เฝ้าดูเราเฝ้าดูหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ได้ปิดกั้นขัดขวางแล่นเราก็ถือว่าไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามาเยือนจิตใจของเราจะเป็นบวกเป็นลบเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเราก็รู้ให้การรู้เนี่ย อยู่เสมออยู่เสมอเนี่ยโดยที่ไม่มีการเลือกสรรไม่มีการกีดกันไม่มีการปิดกัน้นหรือไม่มีการยื้อยุดฉุดเหนียวเอาไว้อันนี้แหละนะมันเป็นตัววิปัสสนาโดยตัวมันเองการเจริญสติเพื่อที่รักษาใจให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาเยือนจิตของเราก็ตาม อันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นสากลเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นกาไรสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติถ้าหากว่าเรารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหมายความว่าแม้เรากำลังโกรธอยู่มันก็เป็นวิปัสสนาได้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวก็โกรธ แม้ขณะที่เรากำลังเครียดอยู่มันก็เป็นวิปัสนาหรือเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทันทีที่เรารู้ตัวว่าเครียดไม่ใช่ว่าใจต้องสงบเสียก่อนอันนั้นมาถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการทำกรรมฐานอันนั้นอาจจะเป็นงานของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็เน้นที่ความสงบซึ่งใครๆก็อยากได้แต่ว่าความสงบ ที่เกิดจากสมถกรรมฐานนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นเพียงของชั่วคราวได้ถ้าไม่มีฐานที่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนานั้นจุดหมายคือทําให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความสว่างแก่จิตใจด้วยปัญญาซึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ก็เพราะได้เห็นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นหรือมาเยือนจิตใจของเราอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นครูหรือล้วนเป็นกุญแจหรือกระจกสะท้อนสัจธรรมให้เราได้เข้าใจอารมณ์กุศลก็สะท้อนสัจธรรมคือไตรลักษณ์อารมณ์อกุศลก็สะท้อนสัจธรรมคือไตรลักษณ์ในแง่ของปรมัชญธรรมแล้วเนี่ยก็มีค่าเสมอกัน ก็คือว่าล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้ทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพราะมนุษย์เรานะยังหลงติดอยู่กับสมมุติบัญญัติสมมติสัจจะเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอันนั้นมันเป็นการกำหนดหรือนิยามของเราเองแต่ธรรมชาติล้วนๆนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคาพูดว่ากุศลและอกุศลนี่มันก็ เป็นคำที่เรานิยามหรือกำหนดขึ้นมาเองแต่ว่าโดยเนื้อแท้โดยสภาวะหรือโดยลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็ล้วนแต่มีค่าเสมอกันก็คือล้วนแต่สะท้อนหรือสแสดงความเป็นไตรลักษออกมาเราสามารถที่จะเข้าใจไตรลักษ์ได้จากอารมณ์กุศลและอกุศลแต่ว่าอารมณ์กุศลนั้นเนี่ย บางทีอาจจะทำให้เรามองเห็นไม่ชัดในไตรลักษณ์เพราะความเพลินนะเพราะความเพลินมันก็อยาจะเข้าไปคุกเค้าวคลอเคลียในขณะที่อารมณ์อกุศลเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะผลักสายออกไปและการที่เราพยายามผลักสายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมัน แต่ว่าอารมณ์กุศลเนี่ยเช่นความสุขเนี่ยมันยากที่จะที่จะปล่อยวางเพราะมันอยากจะยึดอยากจะเข้าไปเหนี่ยวหรือฉุดเอาไว้อยู่แล้วอารมณ์อกุศลลึกเช่นความทุกข์หรือทุกขเวทนานี่ใจเรานี่มันมีความโนม้มเอียงที่จะผักไสเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็ง่ายไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันคนละอย่างให้ความพยายาม ผลักสายออกไปหรือปฏิเสธกับการปล่อยวางอันนั้นเป็นคนละอย่างและทำด้วยท่าทีคนละแบบการพยายามผลักสายนี่มันทำด้วยความหลงแต่การปล่อยวางมันทำด้วยปัญญาทำด้วยวิชาการพยายามผลักสายนั้นมันทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลคือเกลียดไม่ชอบแต่ว่าการปล่อยวางนั้นทำด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ได้มีความรังเกียจ ไม่ได้มีความโกรธเกลียดหรือเป็นอกุศลใดเลยแต่เพราะรู้ว่ามันยึดถือไม่ได้แล้วก็มันไม่น่าจะยึดถือด้วยถึงแม้ว่าการผลักสายและการปล่อยวางจะเป็นท่าทีคนละแบบแต่มันก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่อยากจะเอาเพราะแล้วเนี่ยอารมณ์อกุศลจึงสามารถที่จะทำให้เราได้เข้าใจสัจธรรม ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ควรจะไปปฏิเสธนะหรือไปลังเกียจอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าทุกขเวทนาให้มากนักน ะ, นะเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์อยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ก็เพราะการที่ได้เห็นไอ้ตัวทุกนี่แหละนะที่มันแฝงหรือมันซ่อนเล่นหรือมันเป็นสิ่งที่ซึมทราบอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรา ปบติเนี่ยพอให้ใจของเราเนี่ยเปิดรับคือไม่ปฏิเสธกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเหมือนกับที่วัดป่าสุโกโตเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผลักไสหรือปิดกัน้นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้แต่ว่าเราก็จ ะ, อะคอยเฝ้าดนะูเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าไปยึดไม่ได้เข้าไปเหนียวเอาไว้ ว่าคนนี้ดีอ่ขอขอให้อยู่นานๆนะอย่าไปเลยอย่ากลับเลยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราธรรมชาติของเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปอยู่แล้วนะเราทำอะไรไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้แต่เราเรียนรู้ได้จะอากาศที่เข้ามาแล้วเขาไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะอยู่เป็นปกติได้ใครจะมาใครจะไปเราก็ไม่ทุกเขาอยู่นานเข้ามาประเดี๋ยวประดาว เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะด้วยจิตที่เป็นปกติเพราะะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมนะอย่าไปลำคาญอย่าไปโมโหตัวเองที่มันเครียดอย่าไปรู้สึกผิดที่เกิดความรู้สึกแย่ๆนะกับตัวเองขอให้ตั้งสติดูหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกาลังเกิดขึ้นที่ใจของเรา ทันทีที่เรารู้สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นที่ใจของเราอันนั้นแหละมันก็เป็นวิปัสสนาแล้วมันก็เป็นกรรมฐานแล้วแต่ถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบนะอันนั้นมันก็ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปพยายามบังคับจิตให้มันสงบนะนอกจากจะทุกข์หรือนอกจากจะลําบากแล้วการกระทําเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาอย่างมามันก็ได้เป็นแค่สมถกรรมฐานซึ่งก็ดี แต่ว่าเราก็ควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานและพิปัสนากรรมฐานให้ดีมันงั้นเราก็จะสับสนพิปัสนากรรมฐานนี่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยใจเราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาเยี่ยมเยือนจิตใจของเราไม่มีการเลือกสันไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง ทุกอย่างเป็นของดีทุกอย่างเป็นประโยชน์ทุกอย่างล้วนแต่สามารถจะทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นได้ทั้งนั้นข้อสมคันก็คือว่าให้ตั้งสติรู้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็อย่าไปผักสายมันหรือว่าอย่าเข้าไปคลอเคียยึดเหนี่ยวหรือยืดยึดฉุดมันเอาไว้นะ อันนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะดาเนินไปบนวิถีของวิปัสสนามากขึ้นตามลำดับ